พืให้การฟังลำดับลำนำแต่ได้ยินได้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องดีฟังอันที่มันถูกมันผิดให้มันเห็นบางทีเราก็ได้สัมผัสสะดุดได้เรามีสติเป็นหน้าโลก พรพุทเจ้าสอนสาวกทั้งหลายจงมีสติทุกเมือ่อเจตุลาชจะตามไม่ทันผู้มีสติเหมือนอยู่ในมุง่งผู้มีสติเหมือนมีล่มในมืออยู่ในมุง่งงอนฟังเสียงโยงล่มในมือเวลาฝนตกมีล้มก้นเวลาแดดออกมีล้มก้น ก็ถ้าเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไม่มีสุขมีทุกข์เพราะมีล่มถ้าผลก็คือสุขคือทุกข์มันจะมีการสัมผัสสะดุดการสะดุดการสัมผัสนี่ถ้าเรามีสติมันจะได้บทเรียนที่มีค่าเช่นพระ อ, องค์ุริมาเช่นองค์ุริมา สะดุดกับคมพูดคาตัดสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเป็นแต่เพียงบอกตรงตรงตรงกันข้ามแต่ก่อนองคครณ์มานคิดแต่จะฆ่าเพื่อจะให้ได้พันคนฆ่าไปฆ่าไปจนเหลืออยู่เพียงคนเดียวจะพอพันคน เพื่อจะไปเรียนศาสตร์ที่อ า, าจารย์จัดสอนให้คิดในเรื่องนี้พอดีเห็นพระพุทธเจ้าก็ถือดอกวิ่งออกข้ป่าจะตามค่าพทธเจ้าก็วิ่งองค์พิมานก็ไล่องค์พิมานบอกพทธเจ้าจุดจุด โอ้เจ้าบอกว่าเราก็หยุดแล้วหยุดอะไรยังวิ่งอยู่หยุดหยุดทำบาปทำกรรมเหลือแต่เธอยังไม่หยุดเธอยังถือดาบเลยฆ่าเลยฟันคนอยู่เราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดจะดุดคำพูดจากนี้ของพระเจ้าองคุริมานสัมผัสกับความได้ยินได้ฟังเห็น เป็นการเห็นเกิดขึ้นเห็นการกระทําของตนยังไม่หยุดจากทําบาปทากรรมแต่พระพุทธเจ้าสวนทางไปเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดองค์ครีมานได้ยินได้สะดุดกับความตรัสสอนคำพูดอย่างนี้ก็เลยสะดุดอย่างหลักเหมือนกับสะดุดต่อลุม่มลง เพ่งเอกไม่ได้เจ็บปวดเจ็บใจล้มลงนอนหมบลงทิ่งดาบเข้าป่าไม่เคยได้ยินคำพูดอย่างนี้นานเึกเกินหาก จ, จะเป็นใครหนอเนี่ยอาจจะเป็นสีทัศท์โอรสของพระเจ้าสุโตสะที่ออกปวด ได้ยินว่าได้ตัดรู้อาจจะเป็นองค์นี่หรือเปล่าอาจจะเป็นคนคนนี่หรือเปล่าอาจจะเป็นคนนี่แน่นอนเพราะคำพูดแบบนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนลอมเพึงลำพันอยู่เสียใจเป็นอย่างเมมากเพราะการกระทําของตนไม่เคยปฏิบัติแบบไหนมาก่อนเลยไม่แต่คิดจะฆ่าจะฆ่า วที่วดพระเจ้าก็เห็นก้มลงพระเจ้านเดินขึ้นมาเดินกลับมามาจับลูกขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรชัวช่วจิตทีดีเจนหนุนแก้ไขได้แก้ไขได้ตามเราไปตามเราไปตามเรามาเราจะพาไป พระเจ้าก็พาเดินไปเขตตะวันมหาวิหารจึงเป็นใกล้บ้านขององคติมานพระเจ้าก็สอนเดินได้บรรลุธรรมขอบวชองค์พระเจ้าก็เลยบวชให้บ้านขององติมานกับบ้านนาถาปินิกาเศรษฐีใกล้ใก้กันหลังโตใหญ่เท่ากัน ฐานะเท่าเทียมกันอยู่ใกล้ๆเชตวันนั่นนั่นคือสะดุดไม่เคยได้ได้ปฏิบัติไม่เคยได้เดินจงกรมไม่เคยได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรทั้งหมดเลยในแต่คิดจะฆ่าจะฆ่าจากนั่นก็มีการมรุษธรรมอยู่เฉยๆถ้าสังเกต ด, ดีๆสะดุดการสะดุดเป็นการบทเรียนที่ดี สัมผัตความหลงสัมปัต ค, ความโลกสะดุดลองดูสัมผัสความทุกข์สัมผัสความผิดสัมปัตความถูกให้สังเกตตรงนี้เรารู้อยู่มันสุขเห็นวันสุขมันทุกข์เห็นมันทุกข์ลงดูมันจะต่างกันกันกบเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ต่างกันอยู่เร้ก็เลือกได้อย่างโอคุณิมารเลือก ทางที่จะต้องปฏิบัติต่อไปกับคนละอันเปลี่ยนพกเปลี่ยนชาติในการกระทำตัดทันทีได้าาเป็นแต่ก่อนก็คิดจะทำบาปทำกรรมมีการกระทำเกิดขึ้นนับหนึ่งสองสามนับหนึ่งสองสามหนึ่งคนสองคนสามคน นับที่เล่มกูลืมเลยเอาเชือกมาร้อยข้อมือเอาไว้เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อฆ้าใครแล้วก็ล้อยไว้ล้อยไว้หลอกข้องคอไว้เพื่จะนับดูแต่ก่อนมาแต่ทําแบบนี้ลืมนับไปได้เลยเรียกว่าองคุริมานคู่ดีคู่ดีคือข้อนิ้วข้อนิ้วมือคือข้า คิดเงนตัดกรรมทันทีหยุดทันที่เราาะทำอะไรมันมีวัตตะอยู่สามอย่างกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากการกระทำเกิดขึ้นก็คินในการกระทำนั้นเรียกว่ากิเลสวิบากก็คือทำลงไปเหมือนคนสูบุดีก็สูบจเป็นกรรม เป็นกิเลสวิบาก ค, คืออยากเพราะอยากจึงสูบเพราะสูบจึงติดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากถึงสูบเพราะสูบจึงติดเพราะติดจึงอยา ก, ออยา ก, ยากจะอยู่ตรงไหนได้เคยไปชวนคนเรื่องสุบุหรี่มันติดมันอยากจะไปห้ามตัวอยากไม่ได้จะไปห้ามตัวติดไม่ได้เพราะสูบมันยังติด พอติดมันจึงอยากเขาอยากวันสู่พราะโศกถึงติดพอติดจึงอยากมันไปวัตจัต่อกันเหมือนไก่เหมือนงูเหมือนหมูไก่ฆ่าผางงูงูฆ่าผางหมูหมูฆ่าผางไก่ไก่ฆ่าผางงูงูฆ่าผางหมูตางคนต่างฆ่าผางกันแต่มันก็เป็นวงกลม เรียกว่าตัววัตตะมันมีสามเท่านี้นั่นไม่มากถ้าจะตัดจะตัดตรงไหนกรรมกรรมเป็นตัวสำคัญกรรมคือสูกติดคือกิเลสวิบากคืออยากอันกิเลสอันวิบากมันเป็นผลจากกรรมไม่ใช่เป็นผลมาตั้งแต่กำเนิดเกิดมา มีการกระทำมันจึงเกิดขึ้นมันจึงเป็นวัตตะถ้าตัดการกระทำซะมันก็ไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีวิบากเช่นคนไม่สูกมันก็ไม่ติดเพราะไม่ติดแล้วก็ไม่อยาเพราะไม่อยากก็ไม่สูกเพราะไม่สูกก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยาก มันก็เวียนขึ้นมาเรียกว่าอนุโลมปฏติโลมตัอยกลับมันก็เลยเป็นอิสระมันอยู่ที่กรรมเวลานี้เรามาทำกรรมกรรมฐานที่ตั้งของการกระทํามีสติตั้งไว้อะไรก็มีสติเป็นกรรมอยู่มันก็ตัด มันทุกข์่วงทุกข์เห็นมันทุกข์มันตัดกรรมขรงทุกข์ไม่เป็นทุกข์มันสุกตัดกรรมสุกไม่เป็นสุขหลงไม่เป็นหลงรู้ไม่เป็นรู้ผิดไม่เป็นผิดถูกไม่เป็นถูกอะไรที่มันเกิดวิบากกิเลสกรรมวิบากมันจะตัดไปตัดไปมันจึงเป็นกรรมตัวนี้เป็นการจำแนกเป็นการจำแนกสัตว์ เรีวยว่าศักดิ์สิทธ์กรรมฐานเป็นกรรมฐานเป็นการกระรรทําที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากพอมันหลงรู้นะถ้ามันได้รู้แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนรู้เป็นอื่นได้มันถูกต้องมันชอบทำอยู่โดยโชอบเป็นธรรมง่ายๆอย่างนี้เราจะไปทํายากทมมาําไมไปหน้าดําความเครียดจากงาน น่าจะยี่งยี่มเยีมย่มยีม่ยมแจ้มใฉยเพราะมันทํามันถูกต้องแล้วเราก็เห็นอยู่เราก็มีงานทําอยู่เรามีกายเรามีใจกายเป็นสังขารใจเป็นสังขารเรียกว่ากิจเติสังขารกายยสังขารมันมีสิ่งที่ปุงปุงต่งแต่งแล้วก็เห็นมันแปิดมึนเฉพัญอย่างเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้ เราก็เห็นเห็นอะไรก็มีสติมันก็ง่ายๆไม่มีเครื่องมือแบบใดถ้าเป็นเครื่องทุ่นแรงก็เพียงพอแล้วมีสติมันไม่ยากความหลงความโกรธความทุกข์มันก็ไม่ได้ขี่ช่างขีดมามามันเกิดขึ้นจากกายสังขารจิตตสังขาร น, นี้เพราะเราไปคิดเราเคยพูดเราเคยทําเราเคยใส่ใจเพ่งเล็ง จะเป็นจิเลพันห้าตระหนรอยแปดเกิดจากการกระทําเกิดจากการเพ่งเล็งเกิดจากการคิดเกิดการเอาใจใส่ต่อเรื่องนั้นนั่นน้อก็เลยเกิดโปร่งแตรไปเป็นพพเป็นชาติอยู่ในสังขารนั้นสุขก็เป็นพพเป็นชาติทุกข์ก็เป็นพพเป็นชาติเกิดดับเกิดดับความรับของเจียดชังเป็นพพเป็นชาติเกิดอยู่กับเรากี่ครั้งกี่หันเราไม่เคยเห็น ตามตามพบตามชาตินั้นไปเกิดเจ็บเจ็บตาอยู่ในความสุขก็ความสุขก็เกเจ็บเจ็บตาความสุขเกิดขึ้นเกิดขึ้นเราก็ตั้งอยู่ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความหลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความรักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเกลียดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเย็นดีเย็นร้ายเกิดขึ้นดับไปดับไปเกิดแล้วหายไปไม่แล้วหายไปอ่ะ สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งชิ้นนันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสังขารคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งชิ้นเกิดขึ้นแล้วใจเจ็บตายไปสิ่งใดที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ควรประยุทธ์ว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเคยได้ว่าไหมเคยได้สวดไหมฮะ เคยได้สวดไหมแล้วสวดให้ใครฟังได้เย็นตัวเองสวดไหมเรามาสอนตัวเองไหมเคยเอามาสอนไหมหรือว่าเป็นภาษาหนูแก้วหนูคขนทองจินพริกมันก็ว่าจินกล้วยเะจ้ า, าจ๋าจิ้นข้าวกับกล้วยบอเจ้าจ๋าจิ้นข้าวกับกล้วยบอเอาพริกให้มันจินมันก็ว่าจินจ้นกล้วยจิ้นกล้วยเราได้ว่าเอาวาตป้าไปทําไหม แล้วเรามาสะดุดลองดูมันมีค่ามากยิ่งเรามาประกอบมาสัมผัสเอาสติมาไว้ในกายลองดูเวลามันคิดมีสติลองดูเวลามันสุขมีสติลองดูเวลามันทุกมีสติลองดูเวลามันผิดมันถูกมันโลภมันหลงมันโกรธองคนแรต่งเกิดขึ้นมีสติลองดูนี่ตัวตัวหลักก็เลย น่าจะลัดนิ้วมือเดียวไม่เียเป็นเรื่องยากตัดกรรมแนวมันตัดไม่ยากไปตัดกรรมไปตัดกันยังไงเอาต้นคูนต้นโยไปข้าบต้นโพมาตัดกรรมไปตัดแบบไหนทงหน้าวัวหน้ามา้าหน้าหมาไปตัดกรรมเสียโคไปเสียตรงไหน มันหลงเปลี่ยนลงเป็นรู่เนี่ยเสียแล้วเสียขคอะแล้วความหลงไม่ดีจริงๆความโกรธไม่ดีเปลี่ยนความโกรธเป็นความเมโกดเนี่ยตัดกรรมตรงนี้กันอย่าให้ใครไปทำให้เดีย๋ยวนี้เราอาศัยคนอื่นตัดกรรมให้ใเปเรีเป็นกรรมไม่วันนี้ก็หลงตาไปดูคนป่วยก็ เ, เห็นหลงตาอยู่วัดเขาเลยไป เสีย <laughs> โค้อ๋ขี่รถมรือใจแหกคงหน้าตาเปื่อ น, นไปด้วยผ้าเปืเตอร์เป็นแผลลูกชายก็เป็นแผลหัวแตกแยนขาสลองกเปล่งนาะยังยังไม่ตายเสียโค้ ลดแหกโค้งให้หลวงตาเจียเคราะให้เอาสังฆทานมาถวายนั้นเป็นอะไรทำไมจึงขับแหกโค้งเพราะการกระทาของตัวเองขับใบประมาทไม่รู้จักทางไม่คินทาง แล้วก็เลยแหกไปเลี้ยวไม่ทันตัวเองก็น้ำหนักประมาณเกือบร้อยกิโลผู้หญิงคงจะเป็นเหมือนกระสอบตกรถก็เลยโอ้ไม่เจ็บเด็กค น, น, อ, น, น, นอ้วนขนาดนีะลูกชายก็อ้วนแม่ก็อ้วนก็ไม่เป็นไรต่อไปอยากขับไวมีสติ อย่าประมาทการตัดกรรมก็คือมีสติใช้รสใช้เหลืออย่าประมาทใช้กายใช้ใจอย่าประมาทเห็นสิ่ารอมอย่าประมาทมัวก็ศักดิ์สิทธิ์เราจะมั่นใจเราจะเดินไปนี่แล้วก็มีเครื่องมือเดินมีตามีขาเห็นอะไรที่มันไม่ใช่ทางก็ อย่าไปกลุมหลงไม่ใช่ทางกลุมรู้คือทางกลุมทุกไม่ใช่ทางกลุมรู้สึบตัวคือทางอวิชาไม่รู้คือป่ากลุมรู้คือวิชาคือทางวิชาอวิชาอวิชาคือป่าลบวิชาคือทางนุ่งเตี้ยน เราเหยียบดูสัมผัสดูเราหลับตาเดินบันทีก็เท่าเราก็ใช้ได้เอาขาเอาเท้าต่อไปมันก็บอกได้การสัมผัสเนี่ยหนังคนตาบอดสา ร, รติบเข้ามือไม่มีตาดูสารติบเข้าไวกว่าคนตาดีมันคินมันสัมผัส น้นตาไปอินโดนีเซียเด็กนักเรียนตัวเล็กๆไปไปไปตกไปตอกไม้แพะ ถ, ถักเป็นกอเป็นกอหูก็ฟังครูสอนเ อ, อเขาถั ก, ถกไปตอกเบื้อไปสารสลอมสารหมวกออแล้วก็แล้วก็ไปขายเป็นกิโล อุตสากรรมไม่ไั่อินโดนีเซีย Indonesia. มากที่สุดเปอรนิเจอร์มีแต่ไม่ไั่มันไม่แั่ลงต่อตอนมันตายฉีตัดไปแช่ไปด้าไอสอนเปอดนิเจอร์ไม่ไผ่หาคนบราสมัครก็ไม่มีใครคนบ้านนี้เมือง น, นี้เกียดข้าน ก็ให้คนแก่อายุหกสิบปีมาตัดไม่ไผ่ไปใช้ได้ก็ไม่มีใครเม า, เาตายทิ้งปีละลดละลดลันแก่มันเท่ากองอยู่ถ้าทาไม่เป็นมาเรียนเราจะสอนสอนพอนิเจอร์สอนการจักสารไรไม่ไผ่เราทำเป็นหมดทุกอย่างอางไรที่เกิดจากไม่ไผย สารกรติบเข้าสารตะก้าสารของเข้าสานอะไรได้หมดแล้วทาไมเป็นมามาเรียนจะสอนให้ก็ไม่มีใครมาเ น, นี่ยมือมันไปเข้ามันถ้ามันเป็นแล้วมันไม่ลืมัการสัมผัสนี่ไม่ลืมสติที่มันสัมผัสเนี่ยมันไม่ลืมเลยไม่มีวันลืม หลงอะไรก็เป็นหลงอยู่นะลูกก็เป็นลูกอยู่โกรธก็เป็นความโกรธอยู่ความโกรธก็ไม่ใช่มีพันใหม่ความทุกข์ก็ไม่ใช่พันใหม่ความหลงก็ไม่ใช่พันใหม่ไม่เหมือนเชื่อโลกอันเก่าหนะ้าที่จะไม่ไม่วนเวียนตรงนี้หลงจนตายทุกจนตายโกรธจนตาย มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนันก็หลงเกิดขึ้นจากเหตุปัจใไมีอยู่เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีเหตุที่มันหลงเพราะมันไม่รู้เหตุที่มันไม่รู้มันจึงหลงเท่นี้มันหน้ามือหลังมือพลิกมือให้ดู ก็ยังไม่ทำยังทำไม่ได้โมหลงเหมือนหลังมือโอมรู้เหมือนหน้ามือโอมหลงเหมือนกระของปิดของที่ควม่มโมรู้ตัวหงายของคว่มขึ้นแล้วเห็นแล้วโอมทุกข์เหมือนหลังมือโอมไปทุกข์เหมือนหน้ามือมันก็มีอยู่อย่างนี้ตรงๆ อ, อย่างนี้ปฏิบัติตรงปฏิบัติอย่างนี้ไม่ไปทําอย่างอื่น เราหลงอันเดียวเท่านั้นน่ะเรียกว่ากุญแจดอกอกีกไกได้เปิดได้มันถงก็รู้มันโกรธก็รู้มันทุกข์ก็รู้กกรอะไรอะไรมันก็รู้ตรงเนี้ยตัวเดียวเท่านี้มีแต่สติเบือ้องต้นตามกลางก็สติที่สุดก็สติไม่มีอะไรอกีก นั่นอยู่ที่เรานี่หายใจเข้ารู้ก็ได้ไม่ยากความรู้สึกตัวเวลามันหลงรู้ก็ได้อย่าให้หลงเป็นหลงอย่าให้โกรธเป็นโกรธอย่าให้ทุกข์เป็นทุกข์ให้มันเป็นภาวะที่รู้เต็มตัวตาเต็มตัวตาลกหน้าลอกเนี่ยมันทำได้จริงจริงเรื่องนี้ เสีดายเสียดายมากชียดายคนที่หลงเสียดายคนที่ทุกข์เสียดายคนที่โกรธนิดเดียวเท่านั้นเองเปลี่ยนช้าเปลี่ยนช้าอย่างคุยเจ้าบมกองค์ขริมานตรงๆเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดไม่หยุดอะไรยังวิ่งอยู่หยุดอะไรยังวิ่งอยู่เราหยุดทําบาปทํากรรมแล้ว อ, อยังทำบาปทำกรรมอยู่ยังถือดาบไล่ฆ่าเราอยู่เราไม่ทำนี่แบบนี้แล้วเราหยุดแล้วได้ยินองค์พิมานได้ยินทิ้งดาบเข้าป่าเลยสจดุดมีคนบอกประเทศไทยยังมีคำสอนคำบอกถ้าไม่มีใครบอกก็ไปหา อ่านคำสอนพระพุทธเจ้าดูอยู่นี่ก็มีตู้หนึ่งเรียกว่าหัวใจตั้งอยู่เนี่อยู่ศาลาหน้าก็มีสองตู้วีนี่เขามาถวายตู้หนึ่งเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าไปอ่านดูอ่านในหนังสือถ้าไม่รู้จักามาปฏิบัติธรรมไม่ต้องเอาหนังสือมาอ่าน ประกอบขึ้นเลยกลายเป็นตู้หนังสือใจเป็นตู้หนังสือเป็นตำราเล่มใหญ่เกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้แล้วพระเจ้าตัดชลูใหม่ๆไม่มีหนังสืออ่านสักตัวเลยเพราะใดเป็นพระพุทธเจ้าเพราะสาวกเกิดขึ้นเป็นหมืน่นเป็นแสนไม่มีหนังสืออ่านจนพระพุทธเจ้าปัจจุบันผ่านไปประมาณสามรอยปีจึงมา มีหนังสือหนังสือก็เขียนใส่ใวลานไม่มีกระดาษเขียนก็เขียนที่ประเทศลังกาโนนน้องตาก็ต่างไปดูนี่เขียนหนังสือเป็นเท่มยังมีคนนั่งเขียนใบลานอยู่ที่นั่นเราไปดูยังมีคนเท่าคนเจ้าล ว, ว่าจานแต่ไม่เรียกว่าเขียน เอาเหล็กจานไข่เหลมเหล่มมันไปเขียนใบลานก็ไปหัดเขียนกับเขาเอาให้เขียนลองดูเขาสอนให้เขียนเราเดี๋ยวนี้มันจเจริญแล้วง่ายๆจะเป็นคงสอนมาดูตัวเราโวย มาดูตัวกายสังขารแต่ก่อนอยู่ในในังในตัวเล่านี้ก็เลยไปร้อยกองเขียนลงไปในกระดาษเอาไปอ่านดูมีหนังสือนี่ก็มาจากไบลานตั้งแฉประเทศรีงกาพระเจ้าปริิพานไปแล้วประมาณสามรอยปีเนี่ยอยู่ในหนังสือเดียมนี่ สเพสังข า, ารานิจาติยถ า, าปัญญายาปัสติมาตั้งแต่นโน้นสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปมันก็มาตั้งแต่นโน้นสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดขึ้นแล้วเจ็บเจ็บตายไปพูดกันมานานแล้ว สองพันกว่าปีแล้วมานะถึงเราทุกวันนี้ถ้าเราอ่านหนังสือไม่ได้ก็มาดูที่สังขารคือมันคิดไปมันทุกข์มันสุกโศกทุกขเเกกก์เป็นสังขารถ้าภาษาว่าเราหรือว่าโุกทุกข์เป็นสังขารถ้าเป็นภาษาบรลีปัญญาพิสังขารอปัญญาพิสังขาร ปัญญาพิส네ังขารสังขารคือสุขปุญญาพิสังขารสังขารคือทุกข์แต่ไปที่เดียวเรียกว่าสุขว่าทุกข์อันเรียกว่าสังขารแต่เราเรียกว่าสุขว่าทุกข์ปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารสังขารคือบุญปุญญาพิสังขารคือบาปคือทุกข์ทุกข์คือบาป บุญเคยสุขอันสุขกันทุกเนี่ยยังเป็นสังขารอยู่อเนนชาพิสังขารสังขารเคยพร้อมที่จะเป็นบาปเป็นบุญเว้นสุขเป็นทุกข์ไม่น่าไว้ใจอเนนชาไม่น่าไว้ใจอย่างที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่เราจึงมามั่นใจตรงนี้เราจะไม่เป็นสุขเราจะไม่เป็นทุกข์เราอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงไหนอ ย, อยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรมีเจตสติเนี่ยมันจะเป็นยังไงมีสิทธิมันสุขไม่สุขเป็นวันสุขนั่นนนะ่ะมันจะทุกข์เป็นวันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์นั่นนะ่ะมันก็มีเศษอย่างนี้จึงมั่นใจ ต, ตรงนี้เรียกว่าเป็นสถาปันตรงนี้ปฏิบัติดีตรงนี้ปฏิบัติตรงกับเรื่องนี้ ปฏิบัติออกจากมั่นเลยทีเดียวเรื่องนี้ปฏิบัติสมควรเลยมั่นใจเป็นสถาบันเป็นสถาบันมั่นคงตรงนี้มากที่สุดชีวิตเราปฏิบัตรริ ด, ตดีดีคือไม่ผิดเลี้อยู่เนี่ยดูมันอยู่เนี่ยเลยจะเหมือนเราดูลูกแม่ลูกก่อนเลี้ยงลูกน้อย ตาดูอยู่เนี่ยมันจะผิดอะไรมันจะมีอะไรยังไม่ใจเลยไม่ให้ตรองลูกน้อยก็ปลอดภัยไหลใจขาลอนี่มีสติเป็นเจ้าของดูมันอยู่เนี่ยนันอยู่ที่ไหนกายใจอยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันก็อยู่เนี่ยไปไหนก็ไปด้วยเนี่ยรูปทำนามทำมีสติอยู่เนี่ย แต่ดีก็ไม่ได้ไปขอใครมาในรื่อดเสื้อหามาทิพตาก็รู้ได้หายใจก็รู้ได้อยากรู้เวลาใดก็รู้ได้ไม่มีการไม่มีเวลาปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ผลรู้คนเห็นขยนันรู้มากก็รู้มากภาวนาขยานันรู้ พี่เจ็ดก็ไม่รู้วันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงหลงไปเฉอยี่สิบชั่วโมงรู้สี่ชั่วโมงมันก็ไม่สมดุลกันก็ยันรู้ดูไม่ให้จประจําอะไรจะกินจะนอนในโสตายลองดูอีกไม่นานจะมีสีสัวนกรรมฐานเข้มที่นี่อย่าเพิ่นกลับบ้าน <laughs> นี่จะขอห้ามเลยเห็นหน้าแล้อย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปนะขอลองว่าอาชีพของเราไปรับใช้อะไรมากเอ็นลูกเือ็นหลานเต็มบ้านเต็มบ้างลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเราได้อะไรเรามีออะไรเป็นของชนตัวน่าจะหันมามองตัวเอง แต่ไม่ทิ้งอะไปอยู่กับเขานั่นแหละแต่อย่าไปทิ้งเขาถ้าพอที่วหวานได้ก็มเาอยู่เนี่ยมันก็ต่างกันกับอยู่ที่บ้านไม่มีเสียงอะไรที่มันทำให้เราหลงถ้าเรารู้เราก็ดีหลงจะได้รู้ถ้าเราไม่ได้ฝึกขัดหลงก็จะเป็นหลง เราฝึกขันแล้วไปเหมือนชาฝึกดีแล้วชีเขาไปนะว่าให้ลูกให้หลานเล่นไนดะ้หมดพยศหมดพิษเดยที่ฝึกดีแล้วว่าอยู่ที่ไหนไม่เป็นอะไรเหมือนเกลืออยู่ที่ไหนก็ต้องเค็มไม่จันท์อยู่ที่ไหนก็หอมบัณฑิตผู้ฝึกตนดีแล้วอยู่ที่ไหน ไม่ทิ้งธรรมไม่ทิ้งสติมันไม่เสื่อมนะไม่เสื่อมไม่ฝึกมันจะผูฟูแพ้แไม่ชำนานไม่มีประดินยาวมันหลงก็หลงคนหลงเป็นหลงเรียกว่าไม่มีประดินยา น้าหลงเป็นลูกเขามีปะดินยา่นที่มีความรู้เหมือนหลวงพ่อเทียนคนที่มีความรู้เขาไม่ พ, ล, พลุงพลังขายขายอ้อยขายหมันขายปอเอารถจีบล่อจบแปดล่อวันทุกข์ไปได้เงินน้อยๆคนที่ความรู้เขาไม่ถืออะไรไป นั่งกินน้ำชาถ้วยเดียวก็พอได้เงินล้านเงินแสนหลวงอเทียนคุยให้ฟังหาเงินล่อเงินผันหายากหาเงินหมื่นเงินแสนหาง่ายหลวงพ่อเทียนถามเรามาคุณทางานเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ ได้แล้วหลวงพ่อพันบาทสมัยเสียห้าสิบปีนะเดินแล้วพันบาทได้โยมเพาอะไรก็เป็นช่างช่างก่อสร้างช่างทุกอย่างไม่เพลยำหนังราคาสองบาทองอมไม่เพลยำนึงได้สองรอยบาทไปซื้อไม่เพลยำนึงราคาสองบาทมาจากมาสารมาขายได้สองรอยบาทคิดแบบนี้ ประมาณอะไรก็ได้ไม่เดือนละพันบาทอา้าวถ้าปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเดือนหนึ่งไม่รู้อะไรหลวงพ่อจะให้เดือนละพันบาทแต่ต้องทําอย่างนี้นะทําเงินไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้นะให้เดินจิตกรมให้สร้างจังหวะเนี่ยถ้าไม่ได้ไม่รู้อะไรจะเสียงเงินให้เดือนละพันบาทสองเดือนสองพันบาทหนึ่งปีก็หมื่นกว่าบาท เาพ่อหาเงินร้อยเงินพันหายากเาพ่อนี่หาเงินเสียนเงินล้านหาง่ายเพะหลวงพ่อเทียนเป็นพ่อข้าใหญ่ไอ้กินน้ำชากับพวกข้าชั่วโมงเดียวได้เงินแสนเงินล้านทำไงจึงได้เมื่อเชา้านแถวเชียงคานเขาทำไร่ฟ้าย ว่าเทียนไปพอค่าไปถามว่าที่นี่มีป้ายกี่หมืนอนสงรอยหมื่นสามรอยหมืนจะขายหมือนละเท่าไหร่เขาให้หมือนละเท่านั้นเดี๋ยวนี้ราคาเท่านั้นถ้าให้อีกหมื่นละเท่านั้นจะขายไหมขายจะได้เท่านั้นขายอยากขายใครนะจะชื่อให้แค่ได้หมื่นเท่านั้นจะให้หมื่นละเท่านั้น ไปถามบ้านนนบาน น, นัได้ฝ้ายเป็นล้านลหมืน่นรับฟ้องมาจะไปซื้อให้ฝ้ายก็อยู่บ้านเขาโน่นแล้วหลวงพ่อเทียนก็ไปหาโรงงานเหีบฝ้าจะซื้อเท่าไหร่เวลาในฝ้ายเขาให้ละเขาสมมติว่าเขาซื้อละหมื่นละพันบาทเดี๋ยวนี้ซื้อหมื่นละพันบาทจะซื้อไหมหมื่นละพัน ยี่สบาทมีพายเท่านั้นหมื่นตอนนี้หมื่นชื่อไหมถ้ามันมากขนาดชื่อหมื่นและพันยี่สิบาทชื่ออยู่เอาเอารถไปเฉยละเงินไม่มีเจ้บาทบอกโรงงานเอารถไปใฉ่บ้านนี้นี่สองร้อยหมื่นบ้านนี้สามร้อยหมื่นบ้านนี้ร้อยหมื่นเอาไปทุบไปทุบไป แล้วก็ไปเงินมาให้เขาซื้อ้าเขากินน้ำชาถ้วยเดียวได้เงินแสนแสนล้านลานหาเงินล้อยเงินพันหาย า, ยากหลวงพ่อเทียนคุยอวด <c oughs> <c oughs> เนี่ยก็ดีมีเรือมีเรือล่องหลวงกระบางปากเซอตะปือแม่น้ำาขงสองฝั่งไทยลาวหลวงพ่อเทียนวิ่ง ใช่ไหมก่อนเรือใหญ่เรือจัดทุกสินค้าเอานั่นก็ยังไม่เรืออยู่หลวงตาหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงพ่อเทียนลูกชายเป็นคนคุมเรืออยู่หลวงพ่อเทียนนีมาบวชอายุสี่สิบแปดปีเท่านั้นเองแล้นั่นเนี่ยอย่าขายหมันขายอ้อยขายทองคำพกไปอริซัพย์ภายในไปธรรมรายอยู่ เมื่อเปลี่ยนขวอมบงเป็นควอมลูกเนี่ยทรัพย์แท้ๆถ้ามีสติมีสมัมชัเป็นมาตรฐานเหมือกิดเกิดเจยเจ็บตายเป็นทรัพย์ของเราแท้ๆเป็นของเราเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาไม่ใช่ของเราเป็นของแผ่นดินหลงตานี่ก็มีอายุพอที่จะเห็นเรื่องนี้ บ้านหลวงตาเป็นคนสร้างเองนาก็เป็นคนสับเสาเองผลที่เกิดจากเราเป็นบ้านเดี๋ยวนี้เป็นของขายต่อมาก็เป็นของแม่แม่ตายไปแม่ตายไปก็มีลูกเป็นของลูกแบ่งให้ลูกสาวลูกสาวเขก็มีลูกเขามีผัว ลูกสาวตายไปสามีเขาเป็นคนคลองสมมัติเวลานี้บ้านที่เราสร้างเองไม่กล้าไปน้องสาวก็ไม่มีมีแต่น้องเคยแล้วก็มีแต่ลูกของเขาเขาไม่รู้จากเราแต่ก่อนแม่ยังอยู่ปล่บ้านเดินไปห้องพระห้องนอนของตัวเองได้เดี๋ยวนี้ไม่กล้าไปเหยียบ กัขดถามว่าหลงตามาจากไหนเขาจะหลงตามาจากไหนทําไมพูดเพี้ยนอยู่เนี่ยเขาจะว่ า, าไม่กล้าไปไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของของเรามันเปลี่ยนเจ้าไปจากเมิดเกเรื่องงานของเราที่เง่อไหลอ ย, อยู่ตรงนั้นแต่ดานทุกแผ่นไม่ทุกข้นเลยจากมือเราทําเอง หนาก็เกิดจากเราเดี๋ยวนี้เขาก็สบายสบายแต่เราอุตสาธรรมะไม่ใช่ของเราเลยอันรับภายในนี้นี่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยมีธรรมะมีสติมีมรรคมีผล ขาทุกข์เราไมทุกข์กันคนที่เขามีทรัพย์สมบัติเขายังโกรธยังทุกข์กันอยู่ไม่ทุกข์ไม่มีอะไรที่จะเมนให้มีปัญหามีแต่ปัญญาปัญหามาเป็นปัญญาควาหลงความโกรธคงทุกข์ความอะไรหมดไปซะนั้นเป็นอิจฉาช้าชีวิตได้ชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอะไรกับอะไร ชีวิตมันไม่เป็นไรสุขไม่เป็นผู้สุขทุกข์มันเป็นผู้ทุกข์มันเป็นไรไม่เป็นกับมันเนี่ยเห็นมันอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้นี่คือชีวิตมันเจ็บเห็นมันเจ็บมันตายเห็นมันตายนี่คือชีวิตหัดให้เป็นถัดให้ได้นี่ไปแน่นอนที่สุดเราต้องเกิดเจ็บเจ็บตายไม่มียกเว้นใครอย่าหลงตรงนี้ อย่าให้เจ็บเป็นให้เจ็บอย่าให้เจ็บเป็นเจ็บอย่าให้ตายเป็นตายฝึกไว้ไว้ยังไงแล้วเราไม่ฝึกก็เจ็บปวดมากตอนน้าลอยทั้งลอยเป็นทุกข์เพราะเจอะเพราะเจ็บเพราะตายแล้วเราที่ไม่ตายก็ยังเป็นทุกข์กับเขาอยู่แม่เพียนก็ร้องให้พ า, ห า, าหอหลานตายเสียใจเป็นทุกข์วหลานตายเป็นทุกข์ว ทุกอย่างเงตาไหลเยาๆบอว่าพูดได้ <c oughs> อ้เราเองที่เก็บแต่มกันยั่งเป็นไงนะฮแล้วมาหัดเอาไว้ให้มันเหนือให้มันเหนือเนี่ยนั้นผิดอะไรบอกจากนั้นมันผิดอะไระจะเอาอย่างงั้นเลอเ ร, เราชีวิตของเรามีสิทธิน่ะเนี่ยนี่เป็นวัดวาลามนี่พระสงฆ์ มีคำสอนขนถอยไม่ต้องต่อวีซ่าอาจารย์ยุจิยังต่อวีซ่าปีละครัง้งเสียงเงินมาอยู่บังไทยอินชีนก็เสียงเงินมาอยู่บังไทยต่อวีซ่ามาไปต่อวีซ่าได้สามเดือนต่อไปก็จะให้เป็นปีถ้าเป็นพระให้เป็นปีถ้าเป็นโยมให้เดือนหนึ่งสองเดือน ถ้าเป็นนักบวชให้เป็นตีนี่เหมือนไทยไปอย่างนี้ถ้าไม่อุ่นใจลองเดินขึ้นไปตรงทานดูสิไปเปิดห้องสเสบียงดูพอจะอยู่กันได้ั้มมีข้าวสารไหมมีไหมไม่ใช่ <c oughs> ไปดูได้มาจากไหน คนไทยมีน้ำใจให้พวกเรามาให้พวกเรามาลนตาไปหาผ้าไปปูโต๊ะเมือ่อวานนี้มีผ้าสีเหลืองๆสำหรับปูโต๊ะวางพระประธานไหมเขาบกว่ามีไหนเ อ, อม า, ามาดูเราก็เอาผ้ามาดูได้มาจากไหนซื้อมาจากไหนไม่ได้ซื้อมีคนเอาอมาให้ ไม่ได้ชื่อเลยโอทูคนไทยเนี่ยสองตาก็าใช้ชีวิตนักปวดมาในสี่สิบห้าสิบปีก็ไม่ลาบากอยู่ที่นี้ก็อยู่ได้อยู่ที่นีนก็อยู่ได้ก็เลยกล้าชวนมาถ้าไม่มีอยู่ไม่กินจะรัผิดชอบเองอาจารย์ตุ่มอยู่นี่พระสงฆ์อยู่นี่ทุกคนชีวิตอยู่นี่ มาอยู่ด้วยกันเนี่ยปาปฏิบัติแบบนี่ยถ้าไม่ภาละอะไรมากมายยิ่งมีคนเท่าคนแจ๋มีอายุชวนมาชวนมาอยู่เนี่แล้วก็เตี้ยงลู่เตี้ยหลานมามากแล้วมาพักด้วยกันต่างคนต่างแก่หลังตาก็เจ๋อย่าโจมก็เจ๋อมันจะสนุกดีอ่ะคนเจ๋อยู่ด้วยกันไม่โทษไปทิ้งคนหนุ่มก็ได้ไม่ใช่สาวๆก็มาได้ นุ่มกช้าก็ไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้นะเอาพูดในฝั่งสมควรใจเวลา